ท่านฟังที่เคารพคะ่ะรายการสันสนีสนทนาค่ะมากันแล้วนะคะในช่วงที่ท่านรอคอยเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับพระอาจารย์ภบูบุญอภิปุ โ, โนค่ะนมรำ ก, กากกันทั้งคะ่ะอาจารย์เริค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาต้องเปิดบ้าง <c oughs> <c oughs> ค่ะเรื่องนักฟุตบอล<อ>ของแอฟริกาค่ะทีมบอลโตโกสังเวย <c oughs> สามศพอเดบายอรอดอันนี้เขา พาดหัวข่าวที้ไม่ค่อยรู้จักนักฟุตบอลจับเป็นประเด็นก็นแล้วกันนะคะว่าที่สะกิดใจเนี่ยไปเห็นตอนนี้ก็บอกว่าคนที่รอดมาจากที่รถถูกกราดยิงระหว่างเดินทางเนี่ย <c oughs> ก็บอกว่าเุ้ยตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกมันตกใจนะคะดูคนที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ด, ดูคนที่ถูกยิงแล้วตายเนี่ยตัวเองทําได้อย่างเดียวคือคิดถึงพระเจ้าและภาวนาให้รอด <c oughs> อไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ย <c oughs> ดีมากเขาก็คงไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดในชีวิต แต่พอมันเกิดแล้วก็งงๆเลยคิดต่อเลยนะคะเอ๊ะถ้ามันเกิดกับเราเนี่ยเราจะคิดทันไม้มเราจะคิดถึงพระพุทธเจ้าไม้มเราจะคิดถึงใครเนี่ยใช่ใชเรื่องเรื่องนี้สาคัญมากเพราะว่าตอนที่เราสุ่มเสี่ยงต่อการที่จ ะ, ะสิ้นชีวิตเนี่ยถ้าเราเรารึคิดถึงอะไรที่เป็นกุศลเราจะไปที่ดีเพราะฉะนั้นการที่นักฟุตบอลคนนี้เนี่ยเราลึกถึงพระเจ้านี่พระเจ้านี่มีคุณธรรมของพระเจ้าถูกไหมที่เขาเคารพนับถือ จะเป็นความเมตตาก็แล้วแต่จะเป็นความกรุณาก็แล้วแต่เขาจะไปที่ดีแน่ในขณะที่บางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันนะจะคิดถึงแต่ว่าเฮ้ยเราไปทำความผิดอะไรมาเราไปทำนี่เป็นเพราะคนนี้แน่นอนเลยจะมาแก้แค้นเราอันนี้คิดไม่ดีละไปที่แย่แน่นอนอารมาเคยเจออดีตกำนันคนหนึ่งเขากำลัง ก, ก็ใกล้จะเสียชีวิตนะเขาก็ป่วยอยู่ป่วยหนักมากเขาก็คิดถึงแต่เรื่องที่เขา ตอนที่จับยาบ้ายาเสพติดเนี่ยเขาก็ไปซ้อมนักโทษฆาดคั้นอะไรต่างๆพูดแต่เรื่องนี้ตลอดเวลาค่ะเราพยายามบอกให้เขามีสติในลมหายใจนึกถึง พ, พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าจิตมันน้อมไปทางนั้นขนาดพระไปบอกแล้วยังทําไม่ได้เหรอคะท่านก็จิตเขาน้อมไปทางนั้นอ๋อคือเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเวลาเห็นคนป่วยนะักเรานิมนต์พระไปถ้าเขาไม่มีพื้นมาก่อนอาจไม่เกิดประโยชน์หรอคะก็คืออยู่ที่ว่าพระองค์ไหน ว่าเขามีศรัทธาในพระองค์นี้ไหมยอย่างนี้นะถ้ามีพระคุณเจ้าที่เขาศรัทธาเนี่ยอาจจะได้แค่เห็นหน้าเนี่ยก็มีความศรัทธาเกิดขึ้นมาได้เขาก็จะจะรอดพ้นไปได้ืเพราะฉะนั้นตอนช่วงที่อยู่ในหัวเราะต่อเราไม่ทราบว่าเราจะตายเมื่อไหร่พระคุณเจ้าเลยบอกว่าให้มีกุศลอยู่ตลอดเวลาในจิตค่ะเพราะในกรณีของนักฟุตบอลคนนี้เนี่ยเขาคิดถึงพระเจ้าก็ดีแล้ว แต่นี้เขาไม่ได้ป่วยหนักเลยนะคะไม่เคยคิดมาก่อนก็แปลว่าการเตรียมตัวที่จะนึกถึงกุศลเนี่ยต้องมีตลอดเวลาสิคะแสดงว่าเขาเนี่ยมีพื้นฐานของสิทธิมาอย่างดีพอสมควรค่ะหมายถึงกรณีคนทั่วไปค่ะท่านค ะ, <ล>ะคือเหมือนกับว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะมีเหตุการณ์สมมุติว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ดีๆ เ, เดินไปมีคนเขายิงกันนะคะไล่ยิงกันเราตกใจมากเลยเไม่เคยคิดมาก่อน และถ้าเราเป็นคนไม่เคยมีพื้นที่บอกตัวเองว่าต้องคิดกุศลให้มากคิดกุศลตลอดเวลาอย่างนี้อาจหลุดไปเกาะอย่างอื่นได้ใช่ๆมีความเสี่ยงพระเจ้าเลยให้ฝึกให้ฝึกให้พยายามฝึกสิตฝึกจิตว่าเราพยายามฝึกเนี่ยก็เพื่อวินาทีนี้เท่านั้นแหละตอนสุดท้ายเนี่ยว่าจะไปอยู่ที่ไหนคือศิลปะแห่งการตายค่ะยกออกมาถามเพราะว่าอุสกิจใจเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยคงจะเหมือนอีก หลายหลายคนที่ไม่มีโอกาสที่จะออกมาเล่านะคะเพราะว่าในขณะกำลังคิดที่พระเจ้าช่วยนี่ก็อาจจะแบบวุบไปซะก่อนถ้าอาจารย์คะทีนี้จะมีคำถามต่อไปน่จากนั่งนักสิบพิมพ์เหมือนกันเป็นวนลีที่เราจะได้ยินเขาพูดให้หวือหวาขึ้นอยู่เสมอๆในการพูดถึงบุคคลสำคัญที่ตั้งขึ้นมาจะให้ไปทำงานสำคัญอย่างน้อนอย่างนี้มีพาดหัวข่าวแบอบกว่ามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งจะตั้ง อ่า13ามอรหันต์ขึ้นมาเพื่อที่จะไปดูแลในเรื่องที่จะแก้รัฐมนูลเนี่ย<อ>ก็เลยสงสัยอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเอาอรหันต์มาเปรียบเทียบ<อ>ในเมื่อถ้ามองทางพุทธเนี่ยพระอรหันต์ดูเหมือนกับว่าท่านก็จะหวังไปวิมุตสงบแล้วไม่ไป <laughs> ต่อสู้อะไรกับแบบนี้แล้วอรหันต์เนี่ยมีมาอย่างไรมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาหรือไม่<อ>นะคะแล้วความเป็นพระอรหันต ที่ชาวพุดควรทราบเนี่ยเป็นอย่างไรอะคะคือคําว่าอรหันเนี่ยมีใช้มาตั้งแต่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วนะคือพวกพราหมณ์หรือปริพาชกหรือว่าฤาษีอะไรเนี่ยเขาก็เคลมมากฉันเนี่ยเป็นพระอรหันฉันเนี่ยก็เป็นพระอรหันคนหนึ่งขึ้นมาจากทะเลไม่ใส่เสื้อผ้าเลยชาวบ้านบอกโอ้เนี่ยต้องเป็นพระอรหันแน่หมดแล้วซึ่งความยางอายเป็นพระอรหันแบบนี้นะะพระอรหันต้องไม่อายเหรอคะ นี่ก็คือความหมายที่ชาวบ้านคนอื่นๆเขาใช้กันมาก่อนสมัยที่พระพุทธเจ้าจะใช้ทีนี้พระพุทธเจ้ามาบัญญัติศัพท์ใหม่ว่าพระอรหันต์เนี่ยจริงๆคืออะไรคือคนที่หมดศัตรูไม่มีศัตรูอรหันต์เนี่ยนะก็คือว่าไม่มีใครจะเอาชนะได้แล้วเอาชนะศัตรูหมดทุกอย่างแล้วเปรียบเสมือนพระราชาผู้มหาัาตริย์เนี่ยได้ชนะขอบเขตของดแดนตัวเองอย่างราบคาบไม่มีใครเป็นศัตรูอีกต่อไป คือชนะหมดไม่มีใครสู้ได้ว่าอย่างนั้นเถอะคำว่าอารหันตนันนะอ๋อแปลว่าหมดศัตรูที่นี้ศัตรูที่พระพุทธองค์ทรงหมายถึงคืออะไรคะคือตัวเองนั่นเองกิเลสในใจที่จะพานําไปเกิดใหม่อ๋อศัตรูทางศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่สิ่งนอกตัวไม่ใช่สิ่งนอกตัวใช่ไหมอย่างคณะกรรมการอะไรที่เขาบอกว่าเป็น18บแอรหันต์เจ็ดอรหันต์อะไรเนี่ยก็คือว่าเป็ น, ปนผู้มีอํานาจสูงสุดไม่มีใครบัญชาการอะไรได้ไม่มีใครข่ากับ อค น, คนคนละความหมา ย, ามมายแต่ในพระุูปศาสนาบอกว่าเราเป็นอิสระจากอะไรจากผัตตาจากกิเลสที่จะมารุมเร้านะไม่เอาของหนักมาถืออีกต่อไปวางหมดทุกอย่างนี่คืออรหันต์ในความหมายของพระพุทธจาศัตรูของพุทธองค์คือกิเลสถูกต้องค่ะกิเลสที่จะมารุมเร้ากิเลสที่จะมารุมเร้าทําให้เราไปเป็นท่าของมันสมมติเราเห็นของสิ่งหนึ่งว่าอยากได้ไวเมื่อไหร่อยากได้ปุ๊บเนี่ยเราเป็นท่าของมันทันที แค่อยากเนี่ยเหลอคะท่านเขาเพราะว่าเราต้องไปตามหาสิ่งนั้นไงในขณะที่ถ้าเราไม่อยากใช่ไหมเราไม่ต้องเป็นทาสเราจะเอาก็ได้จะไม่เอาก็ได้มีชอว์ไอมีทางเลือกเพราะฉะนั้นการเป็นอรหันต์เนี่ยคือการที่หมดกิเลสไม่เป็นทาสของกิเลสแล้วก็เป็นอิสระจากภัตตาทั้งหลายที่จะเข้ามาทางไหนก็แล้วแต่นี่คือความหมายที่พระพรุทธเจ้าใช้คือเรื่องของความเป็นพระอรหันต์ หลายคนคงตกใจเหมือนกันนะคะว่าโอ้โหชีวิตนี้หมวดคิดแตกคนนั้นเป็นศัตรูของเราอคอยเหยียบขาปัดแข้งปัดขาแทงข้างหลังเราอยู่ตลอดเวลานี่พระเจ้าทำไมถึงมาบอกว่าไอ้ที่น่ากลัวที่สุดหรู้ป่ะคะในความหมายนี้คือศัตรูจากตัวเราเองคือกิเลสศัตคืออยู่ในจิตของเราคือความเป็นอ่ากิเลสนั่นเองเอาจะมา ย, ยกตัวอย่างง่ายๆบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งมาทําให้เราไม่พอใจ ค <Okay. S 1> พอเขาทําให้เราไม่พอใจเนี่ยเราจะตอบสนองก็อย่างนี้เช่นด่าบ้างว่าบ้าง <Okay. S 3> โดยที่ไม่ต้องคิดเลยนะอัตโนมัติแสดงว่าเราอ่ะเป็นทาสของสิ่งนั้น <Okay. S 3> เพราะว่าเราไม่มีทางเลือกในการที่จะตอบสนองแบบอื่น <Okay. S 3> ในขณะที่ถ้าคุณเนี่ยสามารถควบคุมจิตตัวเองได้นึกออกไหมเ <Okay. S 3> ่าเบาบางจากกิเลสเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่าเออเราจะด่าคนนี้ดีไหมหรือเราจะไม่ดา่าหรือเราจะส่งเมตตาไปให้เขาเราเลือกได้ ท่าอาจาร์คะงั้นถ้ายกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมในกรณีที่สมมุติว่าคนบางคนเนี่ยมีคนที่เห็นว่าเป็นศัตรูอย่างชัดเจนละคนนี้มันมุ่งร้ายเราตลอดเวลาเลยเราจะเรียกว่านี่เป็นศัตรูภายนอกนะคะเพราะว่าไม่ใช่ตัวเราเองอในขณะที่กิเลสในใจที่พระพุทธองค์บอกว่าเราต้องกําจัดนะ่ะเราจะเรียกว่าเป็นศัตรูภายในอสองอย่างนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันจะฆ่าใครก่อนดีอาจารย์คะ มันต้องอยู่ที่เหตุไงเราบอกว่าเอ๊ะที่เราเห็นว่าเขาเป็นศัตรูภายนอกเนี่ยนะก็เพราะว่ามันมีอุ ป, ปทานความยึดติดว่าไอ้คนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เียงเรายังมีตัวเราของเราค่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องกําจัดเนี่ยไม่ใช่คนข้างนอกเอายกตัวอย่างง่ายๆคนข้างนอกคนเดียวกันเนี่ยเขาทําสิ่งเดียวกันให้เราเห็นเราเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจแต่ว่าอีกคนหนึ่งนะคืออีกคนหนึ่งอยู่ข้างนอก เห็นกับเฉยๆไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งๆที่เขาทำอย่างเดียวกันแสดงว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนคนนั้นที่เขาทำสิ่งนั้นให้เราเห็นแต่อยู่ที่เราต่างหากสมมติยกตัวอย่างง่ายๆคนหนึ่งพูดประโยคประโยคหนึ่งเช่นไห้หมาไอ้แมวกับเด็กน้อยเนี่ยเพราะว่าความรักความเอ็นดูใช่ไหมแต่พอบอกไอ้หมาไอ้แมวกับด้วยสำเนียงอีกแบบหนึ่งกับกลายเป็นคาด่า เพราะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่คำนั้นไม่ไอยู่ที่สิ่งที่คนนั้นทําแต่ว่าอยู่ที่จิตของเราต่างหากเพราะนั้นพระพุทเจ้าก็เลยบอกว่าเอ๊ะนั้นเอาความอุปทานความยึดติดเนี่ยออกไปดีกว่าอุปทานความยึดติดมีเหตุมาจากอะไรตัณหาตัณหามีเหตุมาจากอะไรโอ้ไล่ไปไล่ไปก็คือกิเลสกิเลสมีเหตุมาจากอะไรอ๋ออภิช า, น, า, น, านั่นคืออันนี้อืมค่ะสรุปแล้วอถ้าในในภูมิปัญญาของพระพุทธองค์ ทรงเห็นว่าถ้าเราสามารถกำจัดศัตรูภายในคือกิเลส ข, ของเราได้เองนะคะด้วยการไม่ให้มันมีขั้นตอนของการเกิดอย่างที่ท่านพูดมาถือว่าเป็นขั้นตอนของการเกิดกิเลส ข, ขั้นตอนของการเกิดความทุกข์ถูกไหมคะใช่ครัก็จะสามารถที่จะกำจัดได้ทั้งศัตรูที่อยู่ภายในและได้ประโยชน์ในการที่ศัตรูภายนอกเราไม่ต้องทําอะไรเลยศัตรูภายนอกเนี่ยขเขาะจะทําอะไรเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รู้สึกเจ็บอะไรแต่เราก็แก้ไปตามเหตนะุ ต้องแก้ไปสามเหตแต่ว่าอย่างน้อยเราก็รู้สึกปล่อยวางรู้สึกสบายใจได้อันนี้น่าคิดนะคะก็จะไม่เป็นทาสของบุคคลเหล่านั้นอย่างแรกเข้าใจว่าจะต้องพยายามทําความเข้าใจกันเพิ่มเติมถ้าหากว่าฟังแล้วยังงงในศัตรูภายในเนี่ยมันเป็นอย่างไร <c oughs> ไปทําความเข้าใจให้ได้ว่าถ้าตามคําสอนของพระพุทธองค์แล้วศัตรูภายในที่มันจะทําให้เราเป็นปัญหากับข้างนอกด้วยเพราะเราเห็นผิดซะแล้วว่ามันมี ใช่ไหมค ะ, ะมันก็จะกําจัดไปได้ในที่สุดเพียงแต่ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องท่องแท้ซึ่งธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยฟังไปแค่นี้ลองไปใคร่ครวนนะคะเดี๋ฉันเชื่อว่าเราไม่ไม่ถึงขนาดที่คิดไม่ออกไม่ถึงขนาดที่ไม่มีปัญญาเข้าใจไม่ได้เพราะพุทธองค์นั้นไม่ได้สอนเพียงแค่สาวกไม่กี่คน นะคะ 2,500 กว่าปีเนี่ยทำไมพระพุทธศาสนายืนอยู่ได้เป็นเพราะว่าทุกคนจำนนพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์สอนนั้นเป็นของจริงใช่จริงๆนะคะวันนี้ก็นมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบุญอ ภ, ภิปุณโ น, โนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีในช่วงของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวั จ, จนะไวเ้เพียงเท่านี้ น, นะคะนมัสการาคะ่ะท่านคะจร